แฟนยังไม่อยาขาดกับดิชันแต่ก็ไม่ได้พบกันเป็นปีเขาไปอยู่กินกับหญิงอื่นและที่ร้ายคือหญิงนั้นมีครอบครัวทั้งสามีและลูกอยู่แล้วดิชันพยายามบอกฝ่ายชายพร้อมทั้งเอาหลักฐานไปให้ดูแต่เขาก็ดูเฉยเฉยไม่เอาเรื่องแฟนดิชันแล้วก็ไม่ห้ามปรามภรรยาตนเองสรุป ค, คือมีแต่ดิฉันที่เป็นเดือดเป็นร้อนตักเตือนให้เขากลัวบาปกลัวกรรม เช่นเนี้ยถือว่าใครผิดศีลผิดธรรมบ้างแม้แต่ดิฉันเองก็สงสัยเหลือเกินว่าถ้าเป็นบาปจริงเหตุใดเขาถึงดูเป็นสุขหน้าตาผ่องใสแถมร่างกายก็อ้วนท้วนขึ้นในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นดูเสื่อมโทรมลงอีกอย่างถ้าผู้หญิงช่วยเหลือแฟนดิฉันด้วยการให้เงินทองจะถือเป็นบุญเป็นข้ออ้างให้มีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องหรือไม่ การที่แฟนของคุณยังไม่ได้ใบหย่าจากคุณยังไม่ประกาศขอเลิกกับคุณเป็นทางการและไปมีคนอื่นโดยคุณไม่ยินยอมก็ถือว่าเขาละเมิดอศีลข้อสว่าด้วยการเมสุมิฉาจารได้ครับเพราะทำผิดกติกาผิดข้อตกลงแรกที่จะถือครองร่างกายอันเป็นทรัพย์ร่วมกันเหมือนหารสองส่วนหญิงคนใหม่ของแฟนที่สามีเขาไม่เดือดร้อนไม่ห้ามปราม อาจเพราะได้รับการยินยอมด้วยการตกลงร่วมกันอันนั้นเขาอาจไม่ได้ทำผิดกับสามีแต่เขาทำผิดกับคุณซึ่งยังคงเป็นเจ้าของสามีตามพันธะเดิมฉะนั้นต้องถือว่าเขาร่วมผิดศีลข้อสามไปด้วยเรื่องพันเนี้ยไม่ว่าด้วยข้ออ้างอันใดหากทาทั้งรู้ว่าเป็นคนมีเจ้าของก็จะบัทอรมโนธรรมลดความละอายต่อบาปลงอักโขมโหรานครับ คนเราเมื่อความละอายต่อบาปน้อยมีภูมิต้านทานกิเลสตำ่ำก็มกกักเกาะกรรมทำเขน็นใดๆได้หมดตามเนื้อหาที่เล่าในจดหมายของคุณเรื่องผิดๆทั้งหลายเริ่มต้นขึ้นที่บ่อนพนันนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอบายมุกมักนำมาซึ่งพฤติกรรมผิดๆและลากจูงเรื่องเลวร้ายเข้ามาได้มากมายเกินจะรู้ล่วงหน้าผู้ชายที่ไม่มีเงินรับผิดชอบลูกเมีย มัอบายามุกแถมต้องเกาะผู้หญิงอื่นที่มีครอบครัวแล้วนับว่าถูกบาปอกุศลพอกภูลจนหนักหนาเกินคาดหวังให้ใครช่วยกระเทาะออกง่ายๆครับขอให้จําไว้ว่าถ้าใครถูกบาปอกุศลพอกไวแน่นหนาทําให้รู้สึกราวกับว่าบาปอกุศลเป็นสมบัติอนันนาห่วงแหนของตนคุณอยากไปเตือนเรื่องผลของบาปหรือนรกภูไม่เสียเวลาเพราะบาปของเขาจะเหมือนผีสิงคอยปัด คอยปฏิเสธและดลใจให้ไม่เชื่อกรรมวิบากมีแต่จะเห็นเป็นเรื่องตลกเป็นนิทานหลอกเด็กเท่านั้นส่วนที่สงสัยว่าทำไมคนทำบาปด้วยความหน้ามืดตามัวถึงขนาดนี้ยังดูอ้วนท้วนสมบูรณ์กับทั้งมีความสุขมากขึ้นก็ตอบได้ง่ายๆเลยครับว่าบาปอันเกิดจากการพนันและการผิดประเวณีนั้นไม่ได้มีผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิต ถูกบั่นทอนลงทันตาเห็นร่างกายอันเป็นของหยาบเป็นของเห็นได้ด้วยตาเปล่านี้ถูกบำรุงได้หลายวิธีเช่นถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนเพียงพอกับทั้งไม่ครั่มเคร่งตึงเครียดก็ดูผ่องใสมีชีวิตชีวาได้คุณเล่าเองว่าเขากาลังกินบุญเก่าของแฟนคนใหม่อยู่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องทำงานหาเงินหาทองก็ไม่น่าสงสัยว่าทำไมจึงดูดีกว่าแต่ก่อนได้กายหลอกตาคนทั่วไปได้ง่ายครับแต่ใจไม่อาจหลอกสัมผัสทางจิตของผู้รู้ผู้รู้จริงย่อมกล่าวตรงกันว่าบาปที่สะสมแล้วย่อมมืดมากอยู่ภายในและรอวันเพลดผล ยังไม่อาจพยากรณ์ว่าเมื่อไรที่ไหนหนักเบาอย่างใดการที่ผู้หญิงใหม่ให้เงินให้ทองถือว่าเป็นบุญอันเกิดจากเจตนาช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความสเสน่หาแต่ไม่ใช่บุญสะอาดปราศจากมนทินเหมือนถวายพัฒหาหราระนะครับกล่าวคือถ้าไม่มีความใคร่ไม่มีตัณหาราคะเป็นแรงจูงใจความคิดช่วยเหลือเกือก้อกูลก็จะไม่เกิดเลย บุญทิ่เจืออยู่ด้วยราคะผิดผิดนั้นผลจะทำให้ครึ่งทุกครึ่งสุขเกิดใหม่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจถูกเอาเปรียบย่อยยับโดยมีเซ็กเป็นเหยื่อล่อเหมือนอย่างนี้อีกก็ได้นับเป็นเรื่องหน้าเหม็นหน้าระอิดระอาโดยแท้ดังตริน13กรกฎาคมพุทธศักราช2550 บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23อ่านโดยโจโฉหรืออนุสร์ปรีโซพาติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินอ่านฟรีดาวนโหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ดังตริน .com d u มดูเอ็นจีม สามารถนําไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานเท่านั้นอนุโมทนาครับร้อนแรมาชานานไว้วนผ่านชั้นทบภูมณานานําพากรรมชั่วดีสร้างเอาลอ มนทนเหนื่อยายากยินด้วยแรงพยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงรัปลาใจว่ามีรู้สิ้น ถูกบันดาลด้วยก่าหมดรแค่เาังพื้นดินสู่กา